ยาเห็นว่าความเพียรพยายามดที่จะยังพิเรกให้หมดสิ้นประจักษ์ใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาไปคิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ทางสอนให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อตลอดถอนพิเรกด้วยพิจตโาวนาเป็นของยากก็คือ ความคิดประเภทนั้นให้ทรงทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อทำมาเป็นลานนานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาถ้า เ, เราประกอบความเพียรมันจะแสดงอาตัปริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความแฉะแ่อนอนอะ หาอุบายคิดแปลงจิตให้คิดเป็นแง่ต่างๆสุดท้ายก็เปความย่อหย่อนอ่อนแอมันกระเดียบม้อยอีกเสียผู้ปฏิบัติทำต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถานกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วยกั น, นต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผล สังเกตเจตสิกกระทำสังขารคำว่าสังขารถึงได้สองอย่างสังขารเทว่ทัศคอยทําลายตัวเองหรือคอยทําลายอัตถะนั้นตกางสังขาร่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราต่างที่เหล็กนั้นประเภทนี้คือออกจากความคิดความปรุงนั้นเนี่เป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายเป็นทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตาม ความหมายของเจตคิการทำที่สแสดงออกเช่นเป็นไปนทางสั่งสมจิตหรือจิตความถัทงท่านเรียกว่าเป็นสมถันเป็นไปเพื่อความบุกเบิดทางเดินของตนว่าความหยุดพ้นจากทุกข์นั่นทางเรียกว่างมากคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์่ห้สังเกตจิตนั้นหนะักทําหน้าที่ความคิดความตึงอยู่ตลอดเวลาเช่นเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นนะ่ะ ถูกเตะไปทางโน้นว่าเตะไปทางนี้จิ่งไปจิ้มาอยู่โดยลังทางไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลังทางปะเด็นได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยเตะจิตใจให้เอ็นนู่นเอ็นอนี้คิดนู่นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาถึงต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าสึดตรงนี้ให้ ค่อหมดไปหมดไปโดยลำดัแบบด้วยความภาคเพียรหรือความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของสถาบัหรือไม่เดินตามทางของหนักบัณความเพียร น, นี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดี ความอุตสาพยายามในทางที่พอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในด้านกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดี่ยวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอกันไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้แต่พราะอย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมารมานมากยิ่งกว่าส่วนด้านกาย ความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คนใจเราอยากเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเก็บไายได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ลาอะไรไมันอยู่เฉยๆธรรมาดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติท่าพิการต่างๆ ไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็าตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไมไ่รับาออการอบรมจิตใจก็เป็นโรควุ่นวายต่างนั้นอีกเป็นสองโรคด้วยกันแต่ทวนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียว เวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื่นเริมบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ตาเห็นอย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็ น, นไหนๆเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความตกนอกจาก แสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคกันไปอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่แค่เฉยธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็สวมหลวมตัวเข้ามาด้วยความรุ่มหลง ม, มายึดมาถือมางัดมางา้างอ่าภูเขาทั้งลกูก ให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขงังอนาาิจังร่าตกามันเป็มอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเราจะพไปง้ า, งามันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิดถึงจะปลดเครื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทานการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ ใชาความพินิี่เจารนาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติการร่ำค่าถ้าสุกผลรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลี่ยังไม่แสดงความเปลกประลาดหรือมันยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มันมีคุณค่าครอบํำจิตนั้นอยู่ด้วยเหาง น, นี้จึงต้องอาศัยการทำนักสาจธรรเต็มสติกำลังความสามารถของเรา จิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวติทั้งการกเกิดแก่เสด็จตายท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดแ้ะจิตนี้แหละจะเป็นตัวตั้งอันสําคัญเวลาทำละให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นทัดเนี่ยเป็นตัวตั้งอันสําคัญ หรือเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ผูกกับความสิงคำว่าหลักเกณฑ์อันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทนิ์นี่สิเอะอนาคตที่จะเป็นไปทางหนสถ า, านที่เวลางเวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหน ก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความสะหายโยกโยกความคลอนไปเปินไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเอมที่แหล่นี่นี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตถามมาหรือเป็นมาโดยลำดั เพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมสักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้ <c oughs> โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี่เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประอกอบทางภาคเหียง ว่าหน้าที่การงานอะถ้าขาดสติแล้วเยอะกว่เสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นสองสําคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปะชญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้่ะสติที่ญญาลึกได้ความระลึกความรู้เป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะที่กําหนดขึ้นมาเมื่อกําหนด ไป น, น, นานๆใช้ไป น, น, นานๆอบรมไป น, นานๆบำรุงไป น, น, นานๆเลกลายเป็นสัมปะสัญญะขึ้นมามีเป็นอันดับที่สองพออันดับที่สามก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขานานแล้วไม่ต้องสามารถระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติทั้งตัวเองรู้อยู่ตอลอดเวลาตั้งจะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ จะทบทวนดูเรื brain, ่องความรู like anything, an, thinking, ้สึกของตนว่าได้มีความทั้งทั้งเถอจากสิ่งอะไรบ้างหรือทั้งทั้งเถอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพัสใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่ายั่งํานาเลยที่ไม่มีสติศาสตรกโดะจากต์สติเพียงขนาดอย่างนี้ไม่มีเลยนั่นการเรียกว่าสติอัตโนมาติเราจะพูดถึงในทรังพุทธการท่านก็คือมหาสตินั่นเอง ทำใหมหาสาติกมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้วรู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามสังขารความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงสิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เ้ามาสัมผัสต่างๆหจูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่ห ย, ยาบนี้เลยแม้แต่จิตที่ปรุงขึ้นภายในตัวเองยังมาเห็นผ่านความ ความรู้ความสตินี้ไปได้สติจํำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกกลุมแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีทันทีทันทีระงับดับไปโดยทันทีทันทีนอกจากขนแหนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นขนแหนงนั้นก็ยังคงเส้นควรว่างยังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิาจารณาเรียบร้อยแล้วปล่อยลงไป ตามธรรมดาเป็นกามสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสดวงขึ้นพับดับดท้องสัมผัสทางนอกก็เหมือนกันตามหูหจมูกทิ้งกายกับผู้เสียงเสื่อมลดพอสัมผัสกันพับพับก็ดับไปพร้อมๆพร้อมๆร้มๆโดยดับธรรมชาติเข้ามาในต้องการกำจัดปรปัดเปล่ามันเพราะได้กำจัดจมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภาย น, นอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันธ์ ก็เป็นดังนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นถึงละเอียดสัญญาเป็นถึงละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมาาเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทาันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นนี่ต่างๆทงั้งๆแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลําดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจา้า ทางเดินของภาษาโลกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้ท่านไม่ลดลนะท้อถอยความท่าเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษตถาคตปรากฏ ต, ตนทัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักหัวชและเป็นผู้บงเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นตจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดลนะท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิด ขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับเพราะงานของเราที่ทําความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่สงสัยว่าผู้ใด อ, อยู่ในสถานที่ใดจาไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังหน้าตานี้ทั้งทา ง, ทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกห่อนิจจังทุกขังหน้าตาทําไมจึงเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์อ้าวให้เป็นทุกข์ เพื่อการต่อกบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยเฉยไม่ใหงเกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติทรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับทา้าทายอยู่ภายใจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทบกความทรมานทางด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายชมูไทยคืออะไร ท่านสรุปความว่านันทิราคะสหปทาตตะตร า, ารยทีย ง, างานอย่หนาึ่งเสออย่าที่ดัางกลางวัฒนาพุทธาหูวิภาวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทัยีสามประยุทธ์ไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเืิงมันเถินไปถึกงกลางวัฒนาพุทธาหูวิภวตัณหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยเออนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อองมันอยู่ที่ใจ เมื่อเชื่ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่นแตกก้างแตกแขนออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางนี้ทางนั้ทางสัญญาณนี่คือทางเดินของเกลียดที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยใช้ความพิณิพิจารณาแก้ไขปลดเปลื่องสิ่งใดที่กิดไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิบหายสงสัยแล้วขอยตัวเข้ามาเอง มันรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไรแยากดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกต้งผมผมนและผางนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าโลละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของอริยเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่น ต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กําลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างทัดเจนแจ้ ง, งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองทอรู้ลแล้วจะประยึ์ไปสําคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิเจอหนอึเรายกให้เตรียม เ, เอกประเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปต่างมผนในสายหรืออุบายของแต่ละรายละลาย ผมไม่ไม่ว่าจิตติดรู้างนแยกอย่างนั้นแย ก, ย น, น, แยกยนั้นแยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นธาตุเองเห็นอ่องไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมากได้โดยกันทางนั้นจิตติดทั้งนอกรักชัง้างนอกเป็นตั้มือไทยมาจากข้างนอกยึดรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมากเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึด ม, มั่นถือมั่นของตนได้โดยลําดับเข้ามาภายในใจนี้ การปฏิบัติจึงสําคัญอยู่ที่ความเพียรเราอย่าคาดมักผลนพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเพรยเยเลศเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้เยเลศเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นระติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสําคัญการสถานที่เวลเวลา ทุกขโมยไทยนี่อยู่กับใจดวงหนึ่งทุกคือความทุกข์ใจทุกกายก็ก็เป็นทุกขสัต์อันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกใจเป็นทุกขสัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วกับขโมยไทยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะท่านที่กล่าวแล้วกลาวมาต่างหาความหิวความโหยในกลาง ภาวะตัญหาความิวความโหยอยากเป็นนั่งเป็นนี่เพภาวะปัญหาความอยากในของไม่มีอย่างเงีไม่มีก็ยาเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนน่ะนิภาวะตัญหาแล้วรวมแล้วมันกึ่งที่ใจนี่นิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรณนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับ ตามกําลังของมัจคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงประด้เป็นลําดับๆนี่โรดคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลําดับัๆเมื่อมัจมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไร เิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรมันสามารถมีสติปัญญาเป็นสาคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดรอาจากใจเหมือนกับถูกห้าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจัดฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทางาน ปราปรางกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขนาหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตทักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นทัติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานเพราะออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตดอดก็เหมือนก่ารบกับกิเลสไปตลอดเวลาจากนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมด คือหมดอยดที่จิตนี่นะไม่ได้หมดอยูที่ไหนจะไปคิดที่อื่นอกิเลดปัญหาอสระมันพอกผูอยู่ที่จิตสติปัญญาติดขึ้นมาความผู้สาวพยาพยามภาคเทียมหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยดลําดับๆจนกระทั่งได้คุยเคียวขุดค้นหากันอละเอียส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอํานาจแล้วกิเลสย่อมหมก หาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเคียขึ้นมาทำลายไปเรียกไปเรี่อไ ป, ไ, ปไม่มีใดเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำ น, นาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระถากว้างขนาดไหนเสียงเสียงอะไรมันก็ติด เสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสนรเสนิญชมเชยมันก็ติดลูกมันก็เหมือนกันเสียงติ้นลดเครื่องสัมผัสมันติดได้จายกันทนันเพราะท่านจึงเป็นกิเลสพั่วขอบเขตตักวาแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผูกไปยึดไปเหนี่ยวไปข้าขันมันหมายไปหลงทนันพิจารณาแล้วมัาเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามา ถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตยิ่ิเล็ดมันพาให้เต็มแล้วก็ตีจรัำเข้ามาจนกระทั่งผลตุวท้าก็มีอยู่เพียงในขันหนักฟังเลยเนี่ย<ม> น, นั้นปล่อยได้หมดด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาไม่สงสัยหยุดการพิจารณาได้เลย รูปก็าตามเสียงกลิ่นรถเครื่ อ, องน้าผัดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรนะมันรู้ชัดภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรไะยึดอะไรจะถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอ่ไรนะฉะนัะน้นนั่นก็่าพัวพันอยู่นในร่างกายเ ข, ของขันขันห้ารูปประขันเอาแยกพิจารณาให้เห็นทัดเจน จะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างากายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั้นเองเราถนัดในอาการใดก็หนอาแต่การนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยืดได้อ่าใจรักษใดก็เท่ากับได้ทั้งสามใจรักเพราะทํางานเกี่ยวโยงกันไปเมื่อท่านรู้อาการใดพิจารณาอาการใดนั่นก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจน รู้รอบขอบคิดไปหมดภางในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไปไหนนี่ติดร่างกายติดกระดูกติดหาอะไรติดเนื้อติดหนังติดหาอะไรมันเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรอืเป็นของเราได้อย่างไร แล้กระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเสื่อแล้วเปืยพังไปสลายลงไปกลายเร็องไปเินธาตุเดิมดินน้ําลมไฟเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ไงน้ําก็เป็นน้ําก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ไงเราเห็นได้น้ําตามท่องน้ำลมมันก็พัดไปท่านมานั้นเอามาเป็นเราได้อย่างไง ใช้เราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจานา จ, จะมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอยถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่นงภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกัน นักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักทิพย์แผนดินอเอาให้แผนดินเท่าไทยภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเก่ ม, มากมันอาจฐานที่สุดถ้าเราไพิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วสับมันลงไปฟันมันลงไปลิ้ทานออกไปติดตดต่อต่อเนื่องอยากให้เผลอติด อาตาก็ตายถึงคาตาแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามานั้นามาบูตลาเวลานี้เรากําลังทําบุตลาคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจําเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามาให้ลำบากลำบนมนาบูตระทำมาให้บุญอะไรเรากําลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอยู่แล้วนี่ค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริง หเห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสัก์แต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้ น, น, นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาชัดแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนี่แล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามา ก, ดดกําหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั้นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่าก า, กาที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่า ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสําคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เป็นส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างๆอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายยังไม่สะทกสะท้านเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาต่างหากมันเห็นชดดัดอย่างนีนะ้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความเื็มท่าของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาฉุกเวทนา ส่วนมากผิดเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะ อ, ออย่างยิ่งแล้วจะมีแต่ทุกขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้กายคุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเท่อา เ, เป็นทุกขทุกนะขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนะแยกคําเห็นได้ชักทีนี้ดิเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกเป็นสมุทยัย เห็นแต่ทุกข์ข้างอวียาสจจังยิ่เลสเป็นเครื่องผิดทุกขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภานในจิตถ้าจิตรุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้ะถ้าจิตหลงเอาแยกเยอให้มันเห็นชัดเจนทันยามิสิ้นสดกับผู้ใดถุดละเอียดแล้วก็ทาราบแล้วในขณะเดียวกัน ทุกละเอียดก็สรา้างมาเป็นทุกเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจนารนณา ม, มาทําทั้งสี่คือเวทนาสัญญ า, าทั้งขานวิญญาเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามมันเหมือนกันหมดไม่ใช่เราจะต้องไปพิจารณาหมดทั้งขานทาัน้ท ง, ทงยินญาทั้งสัญญาอะไรอย่างนี้เป็นนับตอนนี้เฉยอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลําดับกลายเป็นเรื่องโรคระเรื่ ไม่ใช่เรื่องทางเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงๆจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งยาวที่นักพิจารณาเวทน า, นามันก็ประสานไปถึงทั้งยาทั้งขาหนึ่งอย่าแล้วพิจารณาไปหลายครั้งแลง้นมันก็สามารถตัดขาดกันอีกได้อีกเหมือนกันเป็นรูปข้อขาจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมด พิจาราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆม่ว่าจะทุกข์เฉยๆเฉยๆสุขม <pop> ันก็รู้เท่าสุขเขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่านี่นต่อสัญญาความจาได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แย้ยแย้ยแย้ออกมาแล้วเกิดความดับความดับความเราไเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เนโมกที่ไหนเี็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมีคาจิแย้ยแยเท่านั้นนัมันเห็นนึงอันเห็นเป็นตัวเป็นอย่างวามก่อนสังทาง รับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัม ผ, สผัสผ่านไปอันนี้ก็หนับไปก็มีแต่นั้นความรู้แท้คือสิตไม่ได้หนักที่จะงาหลมที่จนงานลมไปจงกระทั่งวิริเลศมันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทั้งรูปเสีย ง, งลกลิ่นรสเคร่องสัมผัก็ถูกฟาดพันพันแหลไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันท่าหดตัวเข้ามาสู่กันท่า นพนวาคุ้ยเคียวลายตะปะทำเข่าเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้ น, นล้วไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นธาตามธรรมจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นคิดจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่ออรทันถึงสัญญาสังขารวิญยาณก็มีแต่อาการดิ้ดดัดล้ดัดดั เรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเจ้าก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาและพิจนาแตะต้องเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมอดอรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งขานิ่งยานปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิต ท, ที่เหลือก็มีแต่เือแต่จิตมันมีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วทางกาทั้งหงูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายก็ตัดแล้วโดยปัญญาประเภทนี้ จะออกมาสู่รูปเวทนาขัญญาขัญขาวิญญาณว่าเป็นตนเป็นห้องตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วนะประเภทนี้เรียกว่าประเภท อ, อัตโนมัติที่ปัญญาอัตโนมัตนินั้นมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะทุจุดที่เคยอยู่อเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัตจักรวัตจิตเข้าใจไหม วัตกิตยิ้งมันอยู่วัตกิจอวิชาอยู่ที่จิตเลยถูกทำลายกันหมดแล้วนอกนั้นคือการสาดขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกวาดหาอาหารหมดถูกทําลายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่นี่ยิ่งเดืรวมตัวปัญญาคาดกันลงไปนั้ น, ด, น, นด้วยการถือจิตเป็ น, เ ป, นเป็นป้าหมายอย่างการพิจิตนั โดยอนี้จังทุก ข, ขงางตาเหมือนกันกัตถาวาทําทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสัตาทําทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้อ้าวจิตก็ไม่อาวอาจิตจะคิดขายก็ให้คิดหายยกตัวจิตขึ้นมาจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้ไปลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเห ย, ยียบย่ำลงไปตรงนั้นอ้าวถ้าว่าจิต ไม่ทนต่อการปิสูตแล้วยีเลศประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปเดีวยวก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรคาดตรงไปเอสิ่งใดเป็นสมมุติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขงาาังรัตษาจะดับท่องมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีธรรมะอนิจจังทุกขงาาังรักษาเข้าไปครอบนำได้เลยนำยิ่งเด่นดวงนั่นท่ามอิสระทำอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นครูบรรู้มาขรุขระบันรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรู้การโน้นะถานที่นู่นที่นี่เพราะ จะคว้าไปนุ่งคว้าไปนี้ให้เสียไปเรื่เวลาให้กําหนดลงตรงนี้ทุกศาสตร์สมุทัยศัสตร์เครื่องปกติดทุ่มห่อติตใจอยู่ที่ใจนั้นมัดเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วมิโรจนั้นมันเป็นผลพอยได้นั่นแหละเมื่อฆ่าสมุทัยหรือทำลายสมุทัยลงไปแล้ว ทุกมันก็ดับไปเองทีริยกแห่งทุกดับไปลท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทํางานอะไรและอะไรนิโรธเป็นตะกีริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอํำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่ได้เอาไว้เลยขึ้นเกอสมมติไม่มีเหลือภาระจิตคิดจะคิดหายไปก็ให้คิดหายถ้าจิตไม่ทนต่อการดิสโททำแหลกหมดแล้วสุดท้ายก้าจิตไม่ได่า ก็มีใจนิสชาซึ่งเป็นตัวสมมุดตัวอินทรังสุขังอัตตามันดับทาถนอมบุญยะปาปาปัญบุคคลบุญเรื่มบาปันละเสียเลยละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระจัดสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาดับกิเลสปัญหาเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสตราเอกของโลกเป็นศาสตราเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จีตสาวกสมาะท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบาสิกีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสํำนักที่ นอกนั speed, ้นไม่มีอะไรจะเป็นแก้ที่เดชได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของเวสชาที่เดกไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวจะทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาพเพียรด้วยธรรมที่เลดชจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอหมือนคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลิงของเราจอมเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื้อความเพียรมันจะงอมเงี้ยมงอมเงี้ยมงอมยมงอเงี้ยไม่เป็นหน้าเป็นหลัง่แต่างนี้เราผลขนาใจเหมือนกันะแล้วก็มากด้วยถ้ามากก็ทุกวันทุกวัน ทำงานห ม, มู ก, มมกล้วยมาเห็นใจหมู่เพื่อนั่นก็คิดทำนมีมากามันจะเหลือหลนะมีนอนจึงเข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่มันมันจะลงเลยนี่แหละที่แต่บุ้งนี่แหละแงหม้อ เ, เล็กๆมันรถชักดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นแต่ตั ว, ตวเองอย่าลดละความภาคภียิให้เห็นภครต่อทเดืเอดเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่าที่เดือด ต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากที่เดชมุ่งความหลุดพ้นมุ่งภนิทานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งส ม, มุติท่าบวงให้เป็นผู้เห็นโทษในที่เดช ท, ทุกทุกประเทศกาหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตเทวนาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่ยํามาตั้งแต่กาลานานไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้ว แิเรศทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของจัตโลกธรรมะสิ่งต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะพิพเลศมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นไพรต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นไพรไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุิดและธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราพิเลสให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกนั้นไม่มีพิเลสไม่เกเพราะาเราจึงต้องประกอบความเพียรให้รมะมั่นระวังพิเลศ จ, จะมาทำลายทำ ทำลายคามเปนนลี่ยนแน่อนให้ล้เลยก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนอให้ท่านอนุญิบายมัน่วยกัน